ทีนี้ต่อไปถ้ายึดถือมิจฉาทิฐิละ่ะยึดด้วยอํานาจของมิจฉาทิฐิจะทำไงยึดด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิคือมิจฉาทิฐิในยึดถือในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระนั่นแหละลักษณะของมิจฉาทิฐิถือเอาหลักการข้อปฏิบัติของตัวเองที่ไม่มีสาระเลยแล้วสําคัญว่ามันคือสาระถือความเห็นของตนว่าเป็นสาระยึดถืออย่างนี้แหละเรียกว่าสาระ ที่ถูกปาทางนี่ก็คือเป็นเหตุให้ยึดมั่นด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิแปลง่ายๆว่ายึดถือทางผิดสำคัญว่าเป็นทางถูกสำคัญทางผิดแล้วมันถูกมันถูกมันถูกยึดถือแต่แต่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมิจฉาทิฐิกิเลสเหล่าใดความเศร้าหมองเหล่าใดทำให้ยึดมั่นทิฏฐิเดิมว่าอัตตาและโลกเป็นของเที่ยงนะ อัตตาและโลกเป็นของเที่ยงการยึดถืออย่างนี้ก็เป็นที่ถูกปาทานอัตตาอัตตาและโลกเป็นของเที่ยงสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นไม่จริงปฏิเสธแนวความคิดของคนอื่นทั้งหมดอนุรักษนิยมความคิดของตัวเองเนี่ยนะยึดถือเอาแต่ความเห็นของตัวเองแบบชนิดที่เรียกว่ามไม่ปล่อยเลยอันนั้นแหละเป็นลักษณะของทิ่ถูกปาทานานะคือคือพวกทถูกปาทานเนี่ยมันมันแบ่งออกกลุ่มสองกลุ่มเนะี่ย คือตายแล้วเกิดอีกวิญญาณล่องลอยไปเรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้ลักษณะสัตสตวทิฏฐิก็ที่ถูกปาทารอีกพวกหนึ่งยึดถือว่ายังไงตายแล้วก็ศูนย์เพื่อนเออชีวิตนี้มันก็แค่เบื้องอะไรนะเดือแต่ขี้เท่าก็จบแล้วเนี่ยนะอยู่กระดูกเอไปเรราดที่ไหนดีก็แค่นั้นแหละชีวิตมันก็แค่ความตายตายแล้วก็จบเพราะฉะนั้นเพื่อนเออรีบใช้ชีวิตให้ที่เหลือให้มันคุ้มนะคนผ่านเขาสอนกันพวกขี้เมาสอนกันสอนอย่างเงี้นะ มันเหลืออีกไม่กี่ปีเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วมันอะไรกินได้ก็กินไปอะไรเที่ยวได้ก็เที่ยวไปทําชั่วที่สุดให้ทําไว้เถอะเนี่ยนะขวนขวายรีบใช้เงินใช้ทองที่มีอยู่ให้มันหมดเดี๋ยวเราก็ก็ตายแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็จบแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วแน่ไม่มีอรหัดต่ฝนกิจ16ไม่ได้ทํำซากอย่างบอกว่าจบมันจะไปจบที่ไหนเนี่ยนะเริ่มใหม่สิไม่ว่านันก็พวกนี้เป็นพวกกุเฉ ท, ทิทิเนี่ยนะถือว่าตายแล้วก็จบ อย่างละที่บางลัที่เนี่ยในโลกเนี่ยอย่างมาักเขาชอบที่ตัวอาจจะให้ชื่อของตัวเองไปแปะตามถนนตามซอยตามอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะตัวเองคิดว่าชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเมื่อเกิดมาครั้งเดียวนี่จะฝากชื่อเอาไว้ได้ยังไงมันจะได้แบบผิดแบบถูกกระช่งางขอให้ได้ฝากเอาไวเ้เถอะอันนี้ลักษณะนี้เป็นพวกอุดเฉะทะทิฏฐิบางพวกก็บอกว่าวิญญาณนี่มีแต่ล่องลอยไปไม่มี สิ้นสุดมันล่องลอยมันจากกายหนึ่งไปสู่กายหนึ่งมันเที่ยวสิงเที่ยวแทกเดี๋ยวมันสิงมนุษย์ทีสิงเดราชานทีมันแล้วแต่มันสิงไปเรื่อยอตัววิญญาณตัวนั้นมันลอยไปล่องมาลักษณะ น, นี้แหละนะถ้าบางทีบางพวกก็บอกว่าตกนรกก็ตกถาวรขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นนิรันดรเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นพวกศ ส, สตรูทิฏฐิเหมือนกันะนะพวกนี้ก็เป็นยุทถิแล้วใครจะไปเล่าพูดให้เขาเปลี่ยนเนี่ยยากะนะยากมากเพราะถ้าเขายึดถืออย่างไรอย่างหนึ่งแล้วยากที่จะ แก้ไขก็เลยเรียกว่าทิฏฐุปาทานท่าะะ น, นความเห็นนี่แหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนนะทิฏฐีนี่ยากเยนะส่วนอัตวาทุเออขออภัยสีและพัตุปาทานนี่ก็ถือป่ายากกว่านั้นเพราะใครยึดถือข้อปฏิบัติใดๆอย่าไปยุ่งกับเขาเด็ดขาดนนะเขาโอ้โหเาเหนียวเขาแน่นเขายิ่งไปบอกนะมันยิ่งแน่นกว่าระดับกระเปาออีก เพราะยึดถือในข้อปฏิบัติผิดถูกไม่รู้แหละแต่โดยมากถ้ายึดแล้วมันผิดทั้งนั้นแหละโดยมากไม่ต้องการวิจัยไม่ต้องการรับรู้ไม่ต้องการคําอธิบายไม่ต้องการชี้แจงคุณอย่ามาพูดเป็นคำขานเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉันขอทําอย่างที่ฉันทําต่อไปเนี่ยนะเพราะฉันทําดีแล้วฉันใกล้นิพพานแล้วเกือบจะบรรลุอยู่แล้วจะมาห้ามทำไมเนี่ยนะยิ่งทายิ่งชัดเจนยิ่งแก่มใสเหมงอนกันอย่ามายุ่งกับฉันเลยห้ามเด็ดขาดเหนกัน หวงกันมาเพราะทิฐิเนี่ยจะห่วงมากมันจะใจค่อนข้างแคบเนี่ยยึดถือยึดอยู่นั่นแหละว่าอย่างนี้แหละจริงมันใกล้เข้าไปแล้วเกือบเกือบรรลุอยู่แล้วเกือบบรรลุอยู่แล้วเนี่ยนะถ้ามัวจะคุยกันเสียเวลาเกือบบรรลุอยู่แล้วย่งเงเนี่ยยึดถือจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะีจะยึดยึดไว้อย่างเนียวแน่นแข้งคลาดมากๆเลยนะแล้วก็ศีลพระตู ป, ปารถทั้งคนในและคนนอกนะในยุคนี้เนี่ยไม่ไม่ไมต่างกันอะไร อย่างพวกศีลพระตูปาทานถ้าเป็นที่อินเดียเนี่ยมันชัดบางพวกตื่นเช้ามาอาบน้ําแต่เช้าอย่าไปห้ามเขาน่าไม่ดีอาบน้ําหน้าหนาวปาในใดก็อาบอาบซะจนแทบจะตายค่ะหนาวแน่เลยเย็ น, ย น, นอินเดียมันร้อนก็ร้อนสุดๆเงันเย็นก็เย็นสุดๆทีนี้นไอ้ดาอาบน่ะเขาบอกว่าจะได้บุญมากชําระบาไปได้จริงต้องอาบหน้าห น, นาวจริงๆกันแน่นี่นะแช่อยู่นั่นแหะอ้อมแล้วก็โครมเนี่ะสันนกเนี่ยนะ ถ้ามันดีจริงแหมปลาที่มันลอยอยู่ในนั้นก็ได้ดีได้ดีกันหมดแล้วนะนะพวกนี้แล้วแต่ว่าศิแล้พัตตุปาทานเนี่ยมันจะยึดถืออะไรยึดถือน้ําดีมันก็ยุ่งแั่เรื่องน้ำนี่แหละบางพวกยึดถือลมดีก็ยุ่งอยู่กับลมบางพวกบอกว่ายึดถือไฟไฟเป็นสาระก็บรรเองไฟอย่างเดียวบูชาไฟนอกน้อมไฟบางพวกก็ยึดถือดินนะพวกนี้ยึดถือดินก็ทั้งได้เอาดินมาเปิดมาทาหรือว่าไปกราบดินไหวดินกิน พืชผักพลไม้จะทําให้บริสุทธิ์คนนี้ก็ยึดถือในในเกี่ยวกับเรื่องดินดินถือดินหรือถือน้ําหรือถือไฟหรือว่าถือลมก็ยืดถืออยู่อย่างนั้นแหละนั่นใครอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาบางผู้ยึดถืออิริยาบถว่าอิริยาบถจะทําให้เขาบริสุทธิ์บางคนก็ยึดถือสถานที่ว่าเขาอยู่ณสถานที่ตรงนี้แล้วเขาจะบริสุทธิ์ก็เรียกว่ายึดถือทําเลว่างั้นอ่ะถ้าอยู่ที่นี่มีแต่ศักดิสิษย์อย่างเดียวเขาว่างั้นโอ้ดีอย่างเดียวบริสุทธิ์อย่างเดียว ทั้ก่อนไปเจอคนหนึ่งก็ไม่รู้แกเกิดมาจากที่ไหนขี้โม่งจริงเลยที่นี่มันศักดิ์สิทธิ์ทุกตารางนิ้วหมดคำว่างันโอยเกินไปแต่ดูท่าแล้วก็ไม่ค่อยเต็มอ่ะนะไปคิดตามเดี๋ยวเราจะเป็นหนักกับเขาอีกคนนี้มันยึดยึดจริงๆไหมยึดดินยึดน้ํายึดไฟยึดลมยึดสารพัดยึดนะยืดแล้วก็อย่าไปพูดอะไรให้มันเมื่อยเลยนะถ้ายิ่งใครยิ่งไปขยันชี้แจงกับพวกยึดถือนะอ่ะนะก็เท่ากับว่าสมมาทานมีศัตรูชัดๆ เพราะว่าอะไรนะไอ้ด่าฉันนี่ก็ถือว่าเจ็บหนักยอยู่แล้วใช่ไหมไปด่าของหวงฉันอีกเนี่ยมันจะขนาดไหนบางคนเนี่ยยึดถือพวกนี้มันยึดถือแบบทีเรียกชนิดที่เรียกว่าหวงแห น, น่แตะไม่ได้เลยนั้นถ้าใครไปชี้แจงเนี่ยคนนั้นแทบจะเพิ่มศัตรูด้วยซ้ําไปเพราะน่ะความยึดถือเนี่มันเหนียวแน่นเพราะยึดถือเนี่ยนะทำให้พฤติกรรมคําพูดเขาเปลี่ยนไม่ได้เพราะแรงแห่งความยึดถือว่าว่ามันเป็นอย่างนั้น ในความยึดถืออย่างนั้นเนี่ยนะก็เนื่องจากตัวเองยึดถือว่าตัวเองจะบริสุทธิ์จะได้ดิบได้ดีเพราะการยึดถือบางพวกก็ยึดถือว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะรูปเป็นอัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาพวกยึดถืออัตตาเหล่านี้ก็ยึดอย่างมั่นถือมั่นเหนียวแน่นแต่ถามว่าพวกศีลอัตตวาทุปาทานที่ยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนเนี่ยนะเป็นอัตตานี้เกิดจากอะไร สาเหตุอะไรหนอทําให้เกิดอัตวาทุปาทางพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่เห็นอริยะผู้ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะนะไม่รู้เห็นตามเป็นจริงก็สําคัญรูปโดยความเป็นตนเห็นตนในรูปเห็นรูปในตนเห็นตนมีรูปเห็นเวทนาโดยความเป็นตนเห็นตนมีเวเห็นตนในเวทนาเห็นเวทนาในตนเห็นตน มีเวทนาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นก้อนในยะเดียวกันมันเกิดจากคนไม่ได้ฟังอ่ะนะมันเกิดจากความไม่ได้ฟังเกิดจากการไม่เห็นอริยะเพราะว่าวิสัยที่จําแนกไม่ให้ยึดถือว่าเป็นอัตตาได้ต้องเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวิสัยของพระเรียเจ้าอั้นถ้าไม่คบพระเรียเจ้าไม่คบคําสอนของพระเรียเจ้ายากที่จะแก้ไขได้เพราะจะต้องยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาจนได้นี่แหละ อุปาทานเนี่ยนะอุปาทานนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบใช่ไหมถามว่าอุปาทานนี่เกิดจากอะไรความยึดถือเหล่านั้นเนี่ยนะเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาตัณหามันมันยิ่มในผลที่จะเกิดขึ้นก็เลยยึดเนี่ยนะอย่างใครยึดถืออะไรที่เรียกว่าชนิดที่เรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะแสดงว่าเห็นผลกําไรจากสิ่งนั้นใช่ไหมตัณหามันบอกอันนี้ดีนะกำไรดีนะยึดไปเถอะ อ, อ, อุปาทานก็เลยเอาใหญ่เลยนั่นยึดเหนียวแน่นมากเพราะตัณหามันบอกดี ก็สุดแท้แต่ตันหาจะเสี่ยมสอนนะตันหาสอนอะไรนะโอยปฏิบัติตามทุกอย่างมันก็บอกว่าเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนเพลิดเพลินเพื่อนคอยกระซิบที่หูนี่ก็คือตันหาเพื่อนที่สองเลยนะเพื่อนคอยกระซิบคอยบอกฟันเพื่อนบอกว่านี้ดีนะยึดเลยผมจะยึดใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยฉันต้อง อ, อุ ป, ปาทานทั้ง4ีนะทั้งกาโม ป, ปาทานที่ถูก ป, ปาทานศีระพตู ป, ปาทานและ อัตวาทูปปาทานถามว่าดูได้จากอะไรคนที่มุ่งรูปเสียงเปล่นรถโะพธภะทั้งหลายโดยมากเป็นพวกกา ม, มุปาทานพวกเจ้าลัทธิพวกยึดถือแต่เรื่องความเห็นอย่างเดียวเนี่ยนะถกแต่เรื่องทิฏฐิพวกนี้โดยมากเป็นทิฏฐุปาทานพวกนี้คุยกันแต่เรื่องชาติหน้าคุยชาติหน้าแบบชนิดที่เแล้ว่าตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วศูนย์เนี่ยนะพวกนี้โดยมากเป็นพวกทิฏฐุปาทานแบบไม่มีข้อมูลอะไรเลยเอ๊ตายแล้วมันเกิดอีกหรือตายแล้วศูนย์ แล้วก็นั่นแหละพวกที่ถูกปาทานสีละพระตูปาทานพวกนี้เน้นข้อปฏิบัติขอให้ได้ปฏิบัติก่อนเถอะเพราะถ้าตัวเองปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะได้ดีดีจริงหรือไม่จริงไม่รู้ละนั่นนะส่วนพวกสุดท้ายก็คือรอดอ ต, ตาวาทุปาทานยึดถือขันห้าโดยความเป็นอัตตาอุปาทานเหล่านี้ทั้ง4ประการเหล่านี้เนี่ยนะก็มีเหตุเป็นแดนเกิดอะไรเป็นเหตุเป็นแดนเกิดก็คือ ตัญหาเกิดจากความเพลิดเพลินนั่นเองความเพลิดเพลินนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีความยึดถือสิ่งที่เรายึดถือมากๆเนี่ยนะก็เนื่องจากเราเพลินมากมีความพอใจมากมีความต้องการมากถ้าต้องการมากก็ยึดมากต้องการน้อยก็ยึดน้อยถ้าไม่ต้องการเลยก็ไม่สนใจเลยนะไม่รู้จะเอาไปทําไมมันความความเพลิดเพลินความต้องการมันเป็นเหตุแห่งความยึดถืออย่างชนิดจะเรียกว่าจริงๆถ้าตัญหาดับอุปาทานก็ดับนี่ยนะ ถ้าตันหาดับความความยึดถือทั้งหลายก็ดับข้ออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับอุปาทานโดยประการทั้งปวงโสดาปฏิมรคโสดาปฏิมรคที่ประกอบด้วยองค์8นี่นะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เหล่านี้แหละที่เกิดร่วมกับโสดาปฏิมรคดับ ทิฏฐุ ป, ปาทานศีละพัตตุปาทานและอัตตวาทุปาทานได้อย่างเด็ดขาดส่วนอนาคามีมักกาจัดกามุปาทานได้อย่าง mm hmm. เด็ดขาดเนี่ย ak, นะอนาคามีมักนะที่ยึดถือและความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสได้เด็ดขาดถ้าจริงๆโดยสมบูรณ์จริงๆก็ต้องเป็นอรหัตตมักเนี่ยนะละได้โดยเด็ดขาดเพรันอารยมักอันประกอบไปด้วยองค์8ทั้งระดับโซดาสกธาคามีอนาคามีหรือระดับ อรหัตมรคนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับอุปาทานโดยสิ้นเชิงเลยนะนยวาระว่าด้วยตัณหาตัณหาที่เป็นไปแล้วโดยชวนาวิถีที่ติดในอารมณ์ที่คล้ายกับปิดาของตนตัณหาในตรงนี้เรียกว่าอะไรนะรูปปัตหาสัทธตัณหาคันธตัณหาราสตัณหาโพธพาตัณหาและธรรมตัณหาตัณหาตัณหามีชื่อเหมือนพ่อ ภาษามีชื่อเหมือนแม่วิญญาณภาษะเวทนานี้มีชื่อเหมือนแม่ตันหาสัญญาตันหาสัญญาเจตนาตันหาสามอย่างนี้วิตกวิจารมีชื่อเหมือนพ่อมีชื่ อ, อยังไงคำว่ามีชื่อตามแม่เนี่ยเช่นเช่นอัะนนะเสถีบุตรพรามณบุตรเรียกวลูกเศษฐีลูกของพรามเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกชื่อตามพ่อ ชันใดก็ดีตันหาถ้าตันหามีสีเป็นอารมณ์มีเสียงมีถ้าตันหามีสีเป็นอารมณ์หรือมีรูปเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปปตัตนหาถ้ามีเสียงเป็นอารมณ์เรียกว่าสัตธตันหาสุดแท้ว่าสิ่งที่ชอบคืออะไรก็มีชื่อไปตามนั้นไปอันนี้เรียกว่ามีชื่อตามพ่อถ้าวิญญาณมีชื่อตามแม่เช่นจักรคูวิญญาณเนี่ยนะตามบอกเกิดเกิดมาจากไหนเกิดจากตาเรียกว่าจักรคูวิญญาณเกิดจากงูเรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณทัศเวทนานี้ชื่อตามแม่ ตัณหาอุปาทานสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารณ์มีชื่อตามพ่อตัณหามีสามประการเนี่ยนะตัณหาถ้าแบ่งไปแล้วก็คือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหาตัณหา3มยินดีในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั่นเองตัณหา3อย่างเนี่ยตัณหาที่มีรูปเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปประตัณหา ตันหานั้นถ้ายินดีโดยการมาราคาติดใจในความงามอย่างเดียวไม่ได้มุ่งเรื่องอื่นสนใจแต่ความงามอย่างเดียวลักษณะนี้เป็นกามะตันหาแต่ถ้าคิดว่ารูปนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงเป็นภวะตันหาถ้ารูปนี้ตายแล้วก็ศูนย์เลยจบเลยก็เป็นวิภาวะตันหาเนี่ยนะคือบนพื้นฐานว่าเกิดร่วมกับทิฏฐิก่อนเมื่อเกิดร่วมกับทิฏฐิถ้าเกิดร่วมตันหาที่เกิดร่วมกับสัสตทิฏฐิเรียกว่าเป็น ภาวะตันหาตัญหาที่เกิดร่วมกับอุดเฉททิถิเรียกว่าวิภาวะตัญหาผลตันหา3คูณอารมณ์6ก็เท่ากับ18บแว่าวิจริตวิปริตเนี่ยนะเป็นความเพลิดเพลิน1ิปประการอ่าอย่างนี้แบ่งเป็นรูปภายในกับรูปภายนอกรูปรูปตัวเองอ่ะนะรูปเสียงกลิ่นรถโพลุภาพของตัวเองนี่ได้18ถ้าของผู้อื่นอีก ติดใจในภายใน18ติดใจในภายนอก18รวมเป็น36ตันหาที่เคยเกิดในอดีต36ที่กำลังเกิดในปัจจุบัน36ที่จะมีต่อไปในอนาคตอีก36รวมเป็นร0 8เยอะขนาดนี้ยุบยับไปหมดเลยนะอีกในหนึ่งอีกอย่างหนึ่เขาบอกตันหา18ที่อาศัยรูปภายในเป็นต้นอย่างนี้ว่าเพราะอาศัยรูปเป็นภายในมีตันหาว่าเรามีะนะ และรูปนี่แหละว่าเมื่อเรามีเราก็เป็นที่ปรารถนาเะนั้นอันนี้อยู่ในจตุกะเนิบาทนะตันหา108อีกในหนึ่งตันหา18อันนะ18มารวมรวม ร, ว ม, รวมกับตันหาบอกว่ารูปภายในว่าเรามีและว่าเมื่อเรามี เราก็เป็นที่ปรารถนานเขาจะแบ่งเป็นภายในภายนอกก็รวมเป็น36 36ก็คูณอดีตอนาคตและปัจจุบันก็เป็นร้อยนะจะอธิบายในยะไหนเยอะแ ย, ยะขนาดไหนก็ตามตันหาก็คือความ ur, เพลิดเพลินะตันหาก็คือตัวความเพลิดเพลินนั่นเองถ้าสงเคราะย่นย่อลงมาก็ตันหาก็มี6เท่านั้น น, นะนะเรียกตามอารมณ์ รูปเสียงกลิ่นรสโภตพระธรรมารมณ์ถ้าชอบรูปเรียกว่ารูปปตัตนหาเรียกตามอารมณ์6ตัตหาก็ยอ่อลงมาก็เหลือแค่6ถ้ากล่าวตามอีกในหนึ่งยอ่อลงมาอีกก็เหลือแค่ตัตหาสคือกามตัตหาภาวะปัตหาและวิภวะปัตหาตัตหาเหล่านี้เนี่ยนะมีปัตนหาเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเวทนาท่านบอกว่าเวทนาตรงนี้ภาษาบุตรประสงค์เอาเวทนาที่เป็นวิบาก ถามว่าเวทนานั้นเป็นปัจจัยแก่ตัณหาในทวารหกอย่างไรทำไมเวทนาจึงเป็นปัจจัยแก่ตัณหาล่ะตอบว่าเป็นปัจจัยแก่เวทนาเพราะเป็นสิ่งที่น่ายินดีเนื่องจากเวทนานี้มันน่ายินดีมากเพราะฉะนั้นก็เลยยินดีเอาก็มันน่าชอบก็เลยชอบอะถ้ามันไม่น่าชอบไม่รู้จะชอบไปทำไมเหม น, นั้น อธิบายว่าเมื่อรูปเมื่อสัตว์ทั้งหลายยึดมั่นเวทนาว่าเวทนานี้เป็นของเราด้วยความชอบใจในความสุขสุขเวทนาเนี่ยนะชอบความสุขติดใจในความสุขมากเขาจะเป็นผู้ยังความทะเยอทยานอยากในเวทนาให้เกิดขึ้นยินดีแล้วด้วยความกำนัดยินดีในเวทนาเวทนามันต้องเกิดขึ้นโดยอาศัยอะไรนะสูตรเขาก็มีอาศัยจากครูกับรูปเกิดจากคูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมี เวทนาพันธ์จะต้องมีอาศัยจากครูอาศัยรูปจากครูวิญญาณอาศัยภาษานะหาองค์ประชมเยอะกลาจะได้เวทนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยนะตาก็มีแล้วถ้าตา่มีตาวิญญาณภาษาเวทนาไม่ยากที่ขาดก็คือสีอย่างเดียวทํายังไงจึงจะได้สีเข้ามาเพราะฉะนั้นอาจะได้ตัวเองจะได้มีความสุขเมื่อได้สีอย่างที่ตัวเองต้องการในรูปอย่างที่ตัวเองต้องการตัวเองมีความสุขแน่นอน ทำไงดีล่ะทำสักการะนะจ้างแพงมากรูปบางรูปที่ตัวเองคิดว่าตัวเองมีแล้วมีความสุขแต่ละภาพแต่ละภาพนี่แพงมากเลยนะยอมเสียค่าสีเอากระดาษทาสีมาแต้มแต้มเนี่ยโอ้โหราคาแพงมากฝาผนังทาสีเอาสีมาแปะแปะแต้มแต้มแต้มแตมดำดำแดงแขาวขาเหลืองเหือสลับคราคร้าวกันไปผสมปนเปกันไปกันมาเนี่ยโอ้โหมแพงจริงเลนะเนี่ยเรียกว่าอนุภาพของสีก็คิดว่าจะทําให้ตัวเองมี ความสุขเมื่อตัวเองถ้ามีสีแบบนี้ตัวเองก็มีความสุขถ้าไม่มีแบบนี้ตัวเองทุกแน่นอนทํำยังไงจึงจะมีภาพแบบนั้นให้ได้ชื่นชมจะได้มีความสุขเนี่ยนะก็เลยติดใจมากบางคนเนี่ยว่าบางคนเนี่ยติดติดใจในสีชอบสีมากบางคนติดใจในสีที่เป็นตัวอักษรมีความสุขกับการดูตัวอักษรมากก็แล้วแต่ว่าใครชอบสีแบบไหนบางคนนี่ชอบสีบางอย่างก็ซองนู่นั่นแหะ บางคนก็ชอบโซดเสียงมากที่สุดเนี่ยนะชอบทวารหูนะติดใจในเสียงปรารถนาในเสียงเพราะพวกติดใจในเสียงในยุคนี้ก็เยอะนะชอบเพลงอ่ะนะพวกเนี้ยจึงทําศัการะพวกนักดีดพินอนะพวกนักดีดพินก็คือแบบจ่ายค่าค่าค่าเครื่องเสียงนี่ไม่ใช่น้อ ย, ยใช่ไหมซื้อค่าเครื่องเสียงอุปกรณ์แผ่นเสียงทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ฟังเสียงที่ตัวเองต้องการก็ลงทุนไม่ใช่น้อยก็เลยบูชาพวก เครื่องกลุ่มเครื่องดนตรีทั้งหลายเครื่องเสียงทั้งหลายแผ่นเสียงทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะบางคนเนี่ยจัดห้องตัวเองจะได้มีแสงเสียงเนี่ยนะเรียกว่าห้องห้องอะไรนะห้องดูหนังฟังเพลงเป็นโลกส่วนตัวเลยนะโอ้แพงกว่าบ้านอีกดีบ้านไม่เท่าไหรแ่แหละแต่ห้องอันนั้นห้องเดียวจะแพงกว่าบ้านด้วยซ้ําไปที่จริงมันแพงเพราะอะไรมันให้ความรู้สึกแรงมากจริงไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไรหร่ บางทีเนี่ยก็ติดใจในกลิ่นมากก็เลยบูชาพวกอะไรนะน้ำหอมเนี่ยนะไอ้พวกน้ําหอมเนี่ยกว่าจะราคาก็แต่ละขวดก็แพงๆจะได้กลิ่นอย่างที่ตัวเองต้องการหรื อ, อติดใจในโพธิภะเนี่ยนะโพธิภะก็เลยหาพวกช่างผอพวกผ้าผ้าแต่ละผืนที่ตัวเองต้องการหรือพวกติดใจในรถอนะ่ะติดใจในรถก็เลยแบบให้ค่าทาครัวราคาอาหารเนี่ยแพง ๆ, ๆเลนะ พเพราะเนื่องจากติดใจในรูปจึงบูชาอะไรก็ได้ที่มันให้รูปได้ติดใจในเสียงอะไรก็ได้ที่ให้เสียงได้ยอมทุ่มเททุกอย่างติดใจในกลิ่นอะไรก็ได้ที่สามารถจัดหากลิ่นให้ตัวเองได้ก็ยอมหมดถ้าติดใจในรถอะไรก็ได้ที่เป็นเหตุให้ได้รถอย่างที่ตัวเองต้องการก็ยอมสมุดถ้าได้โพธิภพอย่างที่ตัวเองต้องการก็ยอมจ่ายทั้งหมดเพื่อให้ได้โพธรภพเหล่านั้นตามที่ตัวเองปรารถนาพันความสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรส พธิ์พระทั้งหลายเนี่ยเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดของตันหานะตันหาเกิดขึ้นเพราะมีเวทนาก็สมมติถ้าจริงๆเราต้องการความสุขจากสิ่งนั้นๆนั่นแหละเราจึงจึงมีตันหากับสิ่งนั้นนะเราคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โพธิ์พระแล้วตัวจะมีความสุขก็เลยต้องการรูปเสียงกลิ่นรส ถ, ถ้าอะไรที่นํามาแต่ความเดือดร้อนเอาไหมให้ฟรีก็ยังไม่เอาเลยทําไมอ่ะเพราะมันทุกข์อ่ะ แต่ถ้าตัวใดจะให้ความสุขเนี่ยนะจะแพงขนาดไหนอยู่ไกลขนาดไหนที่ไหนอย่างไรก็ไปเนี่ยนะอย่างเช่นอาหารบางอย่างเนี่ยโอโ้ขับรถไปฐานไกล้ไกลเนี่ยนะบางคนไปจะไม่ได้กลับก็มีไปเพื่อสแสวงหารูปเสียงเกลี่นรถโทรทัศเนี่ยนะไปแล้วก็ไม่ได้กลับก็มีเนี่ยนะไปติดใจไปหลงเพลดิดเพลินอย่าง น, นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไปเพลดิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยนะ ถามว่าเหมือนอะไรเหมือนแม่ผู้รักลูกทำสักการะแก่แม่นมที่เขาดื่มนมและบริโภคเนยใสยและนมที่อร่อยเป็นต้นเพราะความเสน่หาในลูกคือถ้าเป็นสมัยก่อนนี่แม่โดยทั่วๆไปโบราณเลยนะเขาจะจ้างแม่นมมาให้เลี้ยงลูกเพราะถ้าอยากให้ตัวเองลูกงามๆดีๆนี่ทําไงก็แบบเอาเอก เ, เอาใจแม่นมทุกอย่างหาอาหารให้เขาหาอะไรดูแลเขาประคับประคองแม่นมรักแม่นมที่สุดเลยจริงไม่ได้รักแม่นมอะไรยังจริงหรรั ก, รกลูกตัวเอง ต้องการที่จะมีลูกชันใดที่เราบำรุงบำเรอปรนเปลารู ป, รปร ơ, เสียงเกลิ่นรสโพธาภาทั้งหลายจริงๆเราต้องการความสุขจากสิ่งนั้นมากกว่าต้องการสุขที่เกิดจากรูปต้องการสุขที่เกิดจากเสียงต้องการความสุขที่เกิดจากกลิ่นที่เลยก็เลยบำรุงสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ได้ตัวเองได้ความสุขพันเวทนา น, นี่แหละจึงเป็นปัจจัยจึงมีตันหานี่นะพอตันหาเกิดนี่แหละก็เลยทําให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยจึงมี พ บ, พบก็เลยเป็นปัจจัยแก่ชาติชาติก็อั น, นิสงส์ก็คือชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทโมนัตและอุปาญาตอย่างนี้แหลอันตันหาเหตุเกิดตันหาคือเวทนาถ้าเวทนานั้นได้รับการเจริญเวทนานุปัสนาเพียงพอตันหาก็ดับเนี่ยนะถ้าเจริญเวทนาเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกขเห็น <im. S 2> ทุกขเวทนาเปรียบดังลูกศรเห็นอทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็สงบตันหาสามได้ ถ้าตัณหาถ้าเวทนาดับโดยเจริญเวทนานุปัสสนาระดับอริยมรตันหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับเป็นต้นพันถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับอริยมรตมีองค์8ดที่ละเวทนาหมายถึงละฉันทราคะในเวทนาได้ก็ดับตัณหาอริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์8ปดนี่แหละจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับตัณหาอย่างวิภวะตัณหาเนี่ยละได้ด้วย อนาคามีมัคเนี่ยนะภาวะตันหาเขาเกามตันหาละด้วยอนาคามีมัคภาวะตันหาละด้วยอรหัตตมัคเนี่ยนะภาวะตันหาที่ติดใจในรูปปัจจานอรูปปัจานติดใจในรูปประพบอรูปประพบละด้วยอรหัตตมัคคืออริยมัคแต่ละมัคเนี่ยประชุมโดยมากประชุมประกอบด้วยองค์8เนี่ยนะโสดาปฏิมัคก็มีองค์8สกทาคามีมัคก็มีองค์8อนาคามีมัคก็มีองค์8อรหัตตมัคก็มี องแปดบางคนก็เลยสงสัยว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กั บ, รกบมรรคสี่มันต่างกันอย่างไรนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กับ ม, ม, ม, มรรคสี่มีโสดาปฏิมรรคต่างกันอย่างไรคือโสดาปฏิมรรคนั้นประกอบด้วยองค์8สกทาคามีมรรคก็ประกอบด้วยองค์8อน า, าคามีมรรคก็ประกอบด้วยองค์8อรหัตตมรรคก็ประกอบด้วยองค์8มันจะเรียกมรรคแหรือมรรคสี่ก็ไม่ผิดอะไรถ้าพูดมรรคสี่ก็หมายถึงว่าประชุมพร้อมทั้ง8องค์ ถ้าพูดถึงองค์8 ก, ก็แปลว่ามีสีรส่ระดับมรรคเนี่ยนะมีสี่ระดับมรรคนั่นเองอริยมรรคเหล่านี้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าโสดาปฏิมรรคกำจัดวิภวะตัณหาได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าวิภวะตัณหาคือตัณหาที่เกิดร่วมกับอุเฉท ท, ทิฏฐิและภวะตัณหาบางส่วนที่เกิดร่วมกับ ส, สตทิฏฐิอนาคามิมรรคละกามตัณหาได้อย่างเด็ดขาด อรหัตตมรรคกรรมจัดภวะตันหาที่ยินดีในรูปประพบอรูปประพบได้อย่างเด็ดขาดด้วยอนุภาพของอริยมรรคจึงสั ม, มาธิฐิสมมาสังกปะเป็นต้นอริยมรรคเนี่ยนะเป็นนิยานิกนธรรมเป็นธรรมที่นําออกจากทุกเป็นธรรมที่ไปดับเหตุเกิดแห่งความทุกข์ปัญอริยมรรคนี้จึงดีนักแหลมรรคแนี่แหละเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่นะเพราะนั้นอย่างพระมศาสร์ศาสนาก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ประชุมด้วยองค์8นั่นแหละ หรือคําสอนด้วยองค์มรค8นั่นแหละเลยเรียกว่าพระพุทธศาสนาทางนี้เป็นทางของพระพุทธเจ้าเป็นทางดําเนินของพระพุทธเจ้าส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับทางดําเนินคือมรคหรือสติปัฏฐานเป็นต้นของพระพุทธเจ้านี้จะมีในสติปัฏฐานสูตรข้างหน้าแต่ตรงนี้ก็อธิบายไว้คร่าวๆก่อนว่าเน้นสูตรนี้เน้เ น, นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าสูตรต่อไปเน้นสัมมาสติแต่ในสูตรนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ครบองค์8อย่างอื่นก็มี สูตรข้างหน้าก็ไม่ใช่ว่ามีแต่สติอย่างเดียวก็ไม่ใช่แต่ว่าแล้วแต่ว่าแต่ละสูตรจะยกอะไรขึ้นมาเป็นตัวเด่นเป็นตัวอย่างอย่างสูตรนี้เน้นพิเศษคือความเห็นเน้นทิฏฐิถ้าสูตรต่อไปก็เน้นสติเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อน